จะขอบันทึกส่อถึงตอนที่ได้สาบถามหลวงพ่อท่านว่ารู้สึกว่าแต่ก่อนนี้ตัวหนูเองชอบมากเรื่องวิทย์เรื่องเดดแต่ตอนนี้พอขึ้นไปเห็นเองแล้วมันเบื่อไปหมดมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเที่ยวกลัวไปว่าจะการเป็นความขี้เกียจหรืออย่างไรหลวงพ่อท่านว่ามันก็อย่างนี้แหละพอไปเห็นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรน่าติดออกแต่ใจฉันเองก็ขี้เกียจ มันเห็นเป็นธรรมดาไปพอรู้เสยแล้วฉันก็แอบไปนอนของฉันบ่อยๆไม่อยากดูอะไรแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้ไปบันทึกต่อก่อนที่จะขี้เกียจมากกว่านี้ความจริงมันไม่ใช่ความขี้เกียจไม่อยากจะทาแต่เป็นความเบื่อเพราะรู้สึกว่าเห็นไปดูไปมันก็แค่นั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งสูงสุดที่เราหวังเอาไว้ อาจจะเป็นการหวังที่เกินเลยแต่หน่อยก็เป็นได้แต่ใ จ, ใจมันเป็นอย่างนั้นและถ้าใครมาถามว่าถ้าบนแดนนั้นไปเห็นบ่อยๆไม่เบื่อหรือยังไงก็ต้องขอบอกว่าถือเป็นสิ่งสูงสุดที่เราจะแขวญคว้าหามาครองไม่มีความเบือ่อไม่มีวิตกทุกข์ร้อนในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นที่สุดแล้ว ที่เบื่อเพราะว่ารู้ว่ายังมีที่ที่ดีกว่าที่จะไปอาจจะผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยด้วยไม่ได้คิดว่าจะอาจเอื้มอมยังไงแต่ใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาวะบนแดนนั้นเบาสบายแต่ไม่ใช่เบาแบบเลื่อนลอยไม่รู้ไม่เห็นเป็นการยากที่จะพูดให้ตรงทุกจุดและคลุมได้หมดจึงขอให้เป็นภาระของท่านไปเห็นกันเองจะ ก, กระจ่างชัดกว่า และจะไม่มีคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้เพราะตัวของข้าพเจ้าเองก็ได้เพียงแต่เห็นด้วยพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บางอาจเข้าไปอยู่ได้จึงพูดได้แต่ความรู้สึกเท่าที่เห็นตอนกลางคืนหลวงพ่อให้ทุกคนฝึกน้มาพัทธะกันหมดหลวงพ่อว่าจะได้เห็นพระเป็นของก้า ผมพ่อให้ลุงเมเป็นตากล้องด้วยทั้งถ่ายรูปทั้งฉายหนังกันสนุกทำเอาคนเคยล้มไม่ยอมล้มเอาดืด้อเพราะกลัวล้มไม่ล้มเปล่าเกิดล้มแล้วลุกขึ้นเต้นด้วยนิรวสึกกลัวกันมากแสงจากปอดไลท์ก็พอทำเอาหลายคนแอบดีใจในสมาธิว่าเราคงเห็นทางขาวๆสว่างๆแล้วละ่ะสักครู่เดียวพอลุงเมท่านเก็บภาพเอาเจนเต็มอิ่มแล้ว ท่านก็ทำลายทางไปสวรรค์เอาซะง่ายๆปล่อยให้พวกเราคามหาทางกันต่อไปเรื่องนี้เก็บเอามาเล่ากันเป็นที่เคือนเคลงส่วนวันนั้นขา้าพเจ้าก็เปะปะไปตามเรื่องไปตามที่เคยไปจะขอท่านดูอะไรก็ยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยท่านก็เลยปล่อยให้เราโง่งไปก่อนที่เห็นชัดก็ดูจะเห็นพระเป็นสมเด็จท่านมากพระเทพเทวดาอื่นๆ วันนี้ตอนที่พี่และข้าพเจ้าจะข้ามฟ้าจากที่พักเข้าประตูฝั่งสูงปฏิบัติพระกรรมฐานมีงูงเขียวตัวไม่ใหญ่นอนรอเราอยู่หน้าประตูพอพวกเราเดินมาเธอก็เลื้อย ท, ทําทีเล่นทีจริงแต่เราเองไม่ยักกลัวเหมือนว่าจะไม่เป็นอันตรายมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปใกล้ๆทัระเสียวเธอก็เลื้อยออกไปพอเข้าสมาธิ ก็เลยอยากถามท่านถามท่านพ่อวิศนุอาจารย์หมอของข้าพิจ้าท่านให้เห็นเป็นนางฟ้าท่านอยู่ที่ดาวดึงนี้เองเธอนั่งคุกเข่าแบบโยงๆยงตัวขึ้นมาคงดีใจที่พวกเรากำลังเดินตรงมาจะสร้างบารมีด้วยการทำสมาธิแบบมโนมยิทธิกันพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่าการฝึกแบบนี้ถือเป็นบรมิบารมีถ้าจะอุทิศส่วนกุศลก็เป็นผลเต็มที่ วันนี้พอออกจากสมาธิแล้วรู้สึกพี่ๆหลายๆคนได้เห็นกันบ้างแล้วที่ไม่ได้เห็นก็รู้สึกสมาธิจะทรงตัวดีขึ้นการที่หลวงพ่อครัคราวนี้นับเป็นประโยชน์กับทุกคนอยากจะขอให้ทุกคนเราพิจารณาดูให้ดีคือพิจารณาถึงตัวเองอย่าเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่น เขาเทียบกันไม่ได้เขาอาจจะทําเข้ามาอย่างนั้นแต่เราทําของเรามาอย่างนี้มัน เ, เทียบกันไม่ได้เลยแต่ทุกคนได้ทุกอย่างได้มีความรู้สึกว่าได้กันทุกคนแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราเทียบกับตัวเราเองแล้วรู้ว่าแต่ก่อนกับตัวนี้เราดีขึ้นหรือว่าเ็วลงเพราะตามที่ข้าพเจ้าสังเกต ด, ดูทุกคนตาทีตัวสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแม้จะไม่เห็นแต่ก็ยังดู ยังได้ดูบ้างได้ยินบ้างได้เห็นเป็นกําลังใจบ้างคําปรารบที่เป็นที่นิยมกันในหมู่นะักฝึกมโนมยิทธิคือวิมานเรามีไหมนะหรือฝักกราบถามท่านแม่เราด้วยหรือไม่ก็ฝาไปกราบองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างแต่ละคําถามเข้าไปเจ้าอยากจะบอกให้หมดเลยถ้าพกถ้าเห็นแต่นี่มันยังไม่เห็นก็เลยไม่รู้จะว่ายังไง ตอบผัวผัไปเท่าไาราแล้วเราเองนั่นแหละพังอุปทานกินแน่ๆอย่างที่หลวงพ่อท่านเตือน<ๆ>ก็เลยต้องขอประทานโทษพี่ๆด้วยที่ไม่ได้รับใช้ให้ตามนั้นเพราะข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าอีกไม่นานพวกเราคงท่องแดนสวรรค์กันเป็นทีมและดีไม่ดีอาจจะต้องจับฉลากผลัดกันไปเพราะไปจนเบือ่อไม่เห็นมีอะไรน่าติดอกติดใจ นอกจากพี่ที่หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าบางอาจไปติดใจจนแกะไม่ค่อยยอมหลุดทั้งทั้งที่รู้ตัวว่าเราเองนินเมต่อ ป, าปา่าคงมรรคมากโข อ, อยู่บรารมีศีลที่ท่านเตือนมาตั้งแต่เริ่มฝึกจนบัดนี้จะได้ขักสามตัวแล้วยังก็ยังไม่รู้เลยวันนี้คุยกับท่านหลวงพ่อท่านสงฆ์คุยอยู่ด้วยสักครู่ท่านก็ไล่ให้กลับไปนอนเพราะเราต้องตื่นกันตั้งสตีสามครึ่งจับรถ บุญเข้ากรุงเทพเข้าทํางานลาดงานหลวงกันภายหลังจากทางานด้านพระศาสนาแล้วตอนกลับมานอนนี่ข้าพเจ้ายังมาโดนล้ออีกเทพบุตรองค์ไหนไม่รู้มาเรียกชื่ออยู่ที่ริมหูเสียงท่านแหลมแหลมคล้ายผู้หญิงหน่อยหนอยแต่รู้ว่าท่านเป็นเทพบุตรเห็นองค์ท่านเแบบ๊บเบ๊บอยู่แต่ความล่วงทําให้ไม่อยากจะดูเนตว่านนกพูดกับท่านว่า ท่านจะพูดอะไรก็พูดท่านจะหลับแล้วท่านร้อว่าไหนเห็นตัวท่านให้ชัดๆชัดๆสินึกตอบท่านว่าไม่อยากเห็นแล้วมันง่วงเลยหลับสบายไปวันอังคารที่ยี่สิบขึ้นแปดข้าวันนี้ตื่นขึ้นมาแต่เชา้าก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีวงอยู่สักครู่ทำสมาธิกราบสมเด็จท่านขอว่าให้ไปให้ได้ประโยชน์ กล่าวถามสมเด็จองคตผมว่าหรู้มีข้อบกเร่องอันไหนบ้างเจ้าค้าขณะ น, นี้ท่านสอนว่าต้องกำลังใจให้มั่นว่าเราจะทำการอันเป็นกุศลนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปอุปสรรคที่ขวางหน้ามีมากเท่าใดก็เท่ากับเพิ่มกำลังใจให้แข่งขึ้นเท่านั้นต่อจากนั้นเราจะสามารถเอาชนะได้ง่ายขึ้นเพราะการชนะใจตนเองถือเป็นทางชนะสูงสุด ท่านสอนจบโรกราบลาท่านกำลังใจมันมีมาเป็นกองเห็นบ่วงายอันละเอียดของวิมานที่สมเด็จท่านประทับด้วยท่านว่าอย่ามองแต่เพียงว่ามันสวยนักเสษเทียบพิจารณากับแดนอื่นๆด้วยว่าที่อื่นมันทรงสภาพไหมฉุขจริงไหมสมเด็จอพระพุทธกษัตริย์ท่านอยู่ที่วิมาหนหลวงพ่อด้วยวันนี้ท่านทรงสอนว่า จิตที่วางภาระทั้งสิ้นนั้นเป็นภาวะของพระนิพพานเธอเห็นความคงอยู่ของพระนิพพานแล้วใช่ไหมของในโลกเรายึดเพราะกลัวมันสลายกลัวมันเสื่อมด้วยไม่อยากให้มันเสื่อมมันสลายแต่พระนิพพานตรงสภาพอยู่แล้วไม่ต้องการความยึดถืออะไรอีกทั้งสิ้นอารมณ์ที่เธอรู้สึกวันนั้นเป็นอารมณ์ที่วางหมดตัดหมดเห็นมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลก ไม่มีอะไรน่ายึดถือนั่นเป็นอารมณ์จิตของพระนิพพานถ้าตายตอนนั้นได้มุ่งตรงมาแน่ท่านว่านั่นแค่ซ้อมอดู ก, ก่อนนะเธอยังต้องสร้างสมไปจนสี่สิบสองลาสมเด็จท่านมาแล้วเห็นเท้าใครไม่ทราบใหญ่เอถอะทะดูหน้าเกลียดนิ้วเท้าก็แถมมีคล้ายๆปะด้วยพัาสเตอร์หรืออะไรทํานองนั้นพอเห็นปุ๊บ ก, ก็นึกว่าเอ๊ะใครท่าจะมารอเราเล่นจะแล้ว เงยหน้าขึ้นมองความรู้สึกว่าต้องแหงนมองไปสูงเพราะล่างทานสูงใหญ่มากท่านให้เห็นองค์ใหญ่ขนาดเป็นเหมือนตึกอะไรอย่างนั้นพอมองขึ้นไปเห็นพระพาพและองค์ท่านสวยอารามไม่ใช่ใครอื่นท่านแม่สีนั่นเองท่านว่าเห็นฉั่สวยมามากก็เห็นความไม่สวยใช่บ้างสิดูท่านจะสอนไม่ให้ติดความสวยความงามบนนั้นบนนั้น มองเข้าไปอีกด้านหนึ่งเห็นท่านย่าทรงชุดขาวคราวทั้งองค์รู้ว่าท่านบำเพ็ญอยู่จึงตั้งสศีราบข้างนอกว่าขออนุโมทนาในกุศลที่ท่านย่าทําอยู่ครั้งนี้ด้วยแล้วกลับกลับมาหาท่านแม่สีใหม่ขอท่านว่าหนูจะทําเทพบรรเทึงเรื่องราวที่ขึ้นมานี้ตามคําสั่งของหลวงพ่อขอท่านแม่โปรดช่วยให้ทําได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เดให้สิ่งเรวรร้ายแทรกแสงเข้ามาเลยท่านแม่ว่าเอาเถอะฉ่านจะช่วยข้าพเจ้าหันไปบอกกับชาวดาวดึงว่าโมทนาด้วยกันนะเจ้าคะเป็นธรรมทานนะเจ้าคะเห็นทุกองค์ตางพนมมือสาธุโดยพร้อมเพรียงกันเดินมาได้หน่อยหนึ่งเพื่อนเพื่อนเก่าของเราก็มารุมร้อมจะชวนให้ไปเที่ยวในสวน ข้าพเจ้ารีบขอตัวท่านว่าวันนี้ขอไปหาอาจารย์ก่อนวันหลังจึงค่อยเที่ยวจึงขอไปพรมที่สิบหกท่านคอยอยู่พอดีท่านว่าจะถามอะไรวันนี้บอกท่านว่ามาขอพรเจ้าคะ่ะท่านยิ้มยิ้มข้าพเจ้าเลยรีบพูดขึ้นในขณะท่านยังไม่ได้พูดอะไรว่าทำใดที่ท่านอาจารย์ได้รู้แล้วขอให้ข้าพเจ้ารู้ทำ น, นั้นด้วยโดยสับพลัน ท่านว่าขอกันหมดใต้หมดพุงเลยนะเอาฉันให้หมดแต่เธอจะรับผลทีเดียวเห็นท่าจะไม่ไหวค่อยๆมาผลไปก็แล้วกันท่านล้อข้าพรเจ้าลนะท่านก็ยิ้มยิ้มท่านให้ชมวิมานท่านด้วยข้าพระเจ้าแวะมาหาสมเด็จกมรมหลวงที่ท่านที่ชั้นจาตุยังไม่ทันถามอะไรท่านได้เห็นว่าที่เธอเห็นเป็นรูนั้นไม่ใช่หรอกเป็นพญานาคเฝ้าอยู่ ท่านสอนว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ดีต้องรับจำและรับทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้เคร่งครัดท่านว่าคำว่าถ้าเราได้เราจะยังโน้นอย่างนี้จะทำบุญที่นั่นที่นี่จะเป็นความโลภที่แสงแสงอยู่รามารักไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นสํานวนเรื่องเงยงมาคล้ายๆกับไม่อยากได้แต่ถ้าได้ก็ดีอันนี้ก็จัดอยู่ในขายความโลภเพราะคิดเผื่อไว้ที่จะเอาเหมือนกัน วันนี้ข้าพเจ้าได้เข้าใจดีขึ้นและรู้ความชั่วของตัวที่มันแสงอยู่ทั้งท่าที่เราคิดว่ามันหมดไปแล้วและเป็นความเมตตาของพระท่านที่ตัวสมเคราะห์ไม่ให้เรามืดมนไปนับแต่วันนี้ข้าพเจ้าจึงขอตั้งจิตอธิษฐานประองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องทรัพย์สินมาดกอื่นใดที่ไม่ใช่ของตนเด็ดขาด ขอทำตามจริยาของหลวงพ่อให้สมกับที่เป็นลูกท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านวันจันทร์ที่26ขึ้น14ข้ามเดือนสิบหลังจากที่พวกเราช่วยกันทำงานของชาติและพระาศาสนาสิ้นสุดลงกำลังสมาธิของข้าพเจ้าก็ถูกรวบรวมให้ปะติด ต, ต่อกันให้เข้ารูปเดิมเพราะมีความรู้สึกว่ามันฝุดฝุดไม่เข้าตัวเท่าที่เคย กราบถามหลวงพ่อท่านว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเจ้าคะท่านว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นก็เป็นธรรมดาเรายังคุมไม่อยู่แต่สมาธิในการทำงานก็ยังคุมดีอยู่ไม่ใช่หรือคือเสียอย่างแต่ได้มาอีกอย่างก็เป็นอันเจ้ากันไปหลวงพ่อให้มาทำบันทึกให้เสร็จวันนี้สวดมนต์เสร็จก็มาทำสมาธิให้จิตทรงมันจะทรงได้ทานอะไรก็สุดแล้วแต่ใจมันจะไม่ไปฝืนมันอีก พอใจสบายก็เห็นสำเดจองปฐมท่านทรงตรัสสอนว่าไม่เป็นความผิดพลาดอันใดเ็ราะถือว่าสมาธิยังไม่เข้มว่าถูกกระทบก็ย่อมความเป็นธรรมดาให้คิดไว้เสมอว่าจะเพียรพยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปกราบสำเดจท่านแล้วท่านก็เสด็จกลับวันนี้ไม่ได้เที่ยวไหนเกรงว่าจะไปอย่างไม่แจำสาสพอเพราะรู้ตัวว่าเหนื่อยและเพียจากการอดนอน แต่การกระทำครั้งนี้เป็นความภูมิใจของพวกเราอย่างหนึ่งสามารถเก็บไปฟุ้งกันวันละหลายหลายหนจนกระทั่งหลวงพ่อบอกว่าเทวดาท่านมาแสดงเองทําให้ความเก่งกล้าของพวกเราหดเปนิดหน่อยคือทีแรกอซาคิดว่าแม้เก่งจริงๆว่านอนหญิงหน้าพระพานี่ทาไปทํามาเทวดาท่านมาตัดหน้าไปซะฉิบพวกเรารักใคร่าสามทีทีกันดีมากเหตุการณ์ต่างต่าหลวงพ่อบอกให้ลืมเสีย แลกลับมาฝึกฝนต่อไปทำสมาธิให้ดีเที่ยวไปใช้เป็นวิปัสสนาญาณไปให้ได้ประโยชน์วันอังคารที่27ตรงพ่อสั่งว่าให้มาบันทึกเทศใส่ความเป็นยังไงก็ให้พูดไปด้วยคือคือผู้ที่ฝุกจะได้ทราบอารมณ์ตอนนั้นนั้น ก็ข้าพเจ้าก็ตั้งใจจะทำให้จนครบจบที่บันทึกไว้เวลามันก็มีน้อยเต็มทีจะเอาเวลามาเที่ยวกันเรื่องเป็นราวก็แทบจะไม่มีหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกก็ถูกตัดลงให้เหลือที่เห็นว่าสำคัญจริงๆเช่นตอนอาบน้ำดูแลตอนกินข้าวและตอนนอนแต่ตอนสวดมนต์ก็ไม่ลืมชวนแกนมาเป็นผู้สวดด้วยทุกครั้ง อยากจะขอฝึกให้แก่ค่อยๆชินไปเรื่อยๆจะได้มากน้อยแค่ไหนก็สึกตะ บ, บุญกรรมของแก่ด้วยอารมณ์เบื่ของข้าพเจ้าถูกภาระหน้าที่แบ่งไปเช่นบ้างไม่อย่างนั้นคงหนมหาหลวงพ่อเสนานแล้วตอนนี้นกหนูทีไรคําพูดของหลวงพ่อก็ก้องขึ้นมาทันทีว่าเราต้องคิดว่าเราจะอยู่เพื่อสนองคุณพระพุทธเจ้า ความจริงคําพูดของหลวงพ่อท่านกินความคุมไปกว้างทั้งมุมกลับด้วยคือเมื่อไรที่รู้สึกว่าเราทําอะไรพลาดผิดไปหรือทําไม่ดีพอความเสียใจก็เกิดจนรู้สึกน้อยใจว่าถ้าเราอยู่ต่อไปแล้วไม่มีอะไรดีเราจะอยู่ไปทําไมจนทุกวันนี้ก็ยังรู้รู้สึกเสมอว่าความดีของเรานี่จะถึงแค่กับพี้ของพระนิพพานหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ตอนนี้จะทําอะไรคิดถึงจะคิดถึงแหลวงพ่อกับพระพุทธเจ้าคนอื่นๆนี่แทบจะหายไปจากความคิดจนบางครั้งเหมือนคนใจดํเพราะไมา่คิดว่าทุกคนเขาก็รู้ก็เห็นว่าหลวงพ่อท่านสอนหลวงพ่อท่านยิงอยู่แต่เขายังไม่ปฏิบัติตามแล้วเราเป็นใครเราจะเป็นนั่งห่วงคนโน้นคนนี้ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเป็นการงานใดที่หลวงพ่อและพระพุทธเจ้าท่านใช้ก็เต็มใจทําอย่างเต็มที่ หรือการใดทําแล้วจะเป็นประโยชน์กับผูดด้ใดก็เต็มใจอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่จะให้ไปเหียงคนโน้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงมันเลิกคิดไปเสแล้วคิดว่าตราบใดที่เรายังไม่ถึงอรหัตผลเราจะไม่ขอวิพาษ์วิจารณ์คนโน้นคิดถึงคนนี้ว่าได้แค่ไหนอย่างไรเด็ดขาดเพราะแต่ละคนก็รู้ดีอยู่แล้วที่ว่าไม่รู้นั้นไม่มีเพียงแต่ยังไม่ได้ทําเท่านั้น ก็เลยไม่คิดว่าจะจะไปวิาพากษ์วิจารณ์สอนใครหรือแนะใครแต่ถ้าเขาขอให้แนะก็จะแนะไปตามแนวทางที่หลวงพ่อท่านบอกหรือที่พระท่านบอกมาเท่านั้นเพราะเราเองยังไม่แข็งแรงพอที่จะเผื่อแผ่ความดีให้สอนใครได้นอกจากจำจากพระบ้าวสมบ้างเทวดาบ้าที่ท่านเมตตาสอนมามาถ่ายทอดให้ผู้ศรัทธารับฟังต่อๆกันไป วันพฤหัส ป, ปดีที่19แรม2ข้ามเดือน10คืนนี้เปิดเทศที่หลวงพ่อขึ้นพระกรรมาฐานขอเห็นองค์ที่ได้อัญเชิญมาทุกท่านทัานหลวงปู่ท่านมาท่านแม่สีท่านแม่จิตก็มาพร้อมกันวันนี้สมเด็จองค์ปัจจุบันท่านให้เห็นก่อนแล้วจึงได้กราบพระพุทธกศุศบและสมเด็จองค์ปถม กำลังอาราธนาสิง์แปดตามหลวงพ่อก็หันไปดูเรลเทียนที่จุดบูชาครูรู้สึ ก, กแปลกๆเหมือนท่านพ่อหญิงขาวและท่านพ่ อ, อิงเล็กมาอยู่ใกล้ๆจิตมันกระทบอย่างจังฟูงฟอยู่นานตอนนั้นใจขอท่านว่าท่านเป็นพระทรงอภิญญาขอท่านแสดงอะไรให้หนูได้เห็นเป็นบุญตาด้วยเถิดก็ปรากฏว่าพออธิษฐานจบเฟลเทียน ก็พุ่งขึ้นมายาประมาณหนึ่งคืบและตวัดเป็นเกลียวคล้ายๆเป็นแสงจักเพียงสองเล่มเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณห้านาทีในระหว่างที่ข้าพเจ้าพูดอยู่กับท่านคือข้าพเจ้าอ้อนวอนขอตามท่านไปอยู่ป่าจำพันไปว่าเบื่อสังคมเป็นทนหนูขอตามหลวงพ่อไปได้ไหมเจ้าคะท่านเตือนมาว่าคําเตือนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคําเตือนของท่านพ่อเรงขาวท่านว่า ลูกไปไม่ได้อยู่ช่วยหลวงพ่อเข้าสิลูกไหนว่าจะอยู่ดูแลท่านและจะตามพ่อเข้าไป่าได้ยังไงใครจะแบ่งภาระหลวงพ่อละ่ะพอท่านพูดจบเตลเทียนนั้นก็หายไปเป็นปกติเหลือยาวนิ่งประมาณหนึ่งนิ้วคำพูดของท่านนี่มันเป็นการรับรู้ด้วยจิตและไม่ใช่ได้ยินเสียงแต่เป็นความรู้สึกที่ดันขึ้นมาและตัวเองก็ปราศจากข้อกังขาใดๆทั้งสิ้น พอท่านผู้จบข้าพเจ้าก็หยุดร้องไห้ทันทีแสงเพียนเป็นปกติผิดไปจากเมื่อตกี้นี้เลยทราบว่าท่านไปแล้วตอนนี้ก็เลยหันมาหาหลวงพ่อกราบขอขมาโทษท่านรู้สึกเสียใจที่ตัวนิบัติท่านน้อยไปท่านเมตตาลูกมากแค่ไหนหาที่เปรียดไม่ได้เลยแต่ตัวเองคิดจะหนีเอาสุขสวมตัวเชืยอเรื่อย ทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่านี้วจะนีรอดหรือเปล่าได้ซ้ำกระทดลำบากนิดลำบากหน่อยก็จะหนีสค่ท่าเดียวพออารมณ์เบื่อมันเกิดคราวไรมันชักไม่อยากสู้ยอมแพ้เอาซสี้เดือดอย่างนั้นเองอีกประการหนึ่งทั้งๆ ท, ท, ที่หลวงพ่อเคยพูดแห้กำลังใจว่าอยู่ช่วยชั้นก่อนก็ยังไม่เห็นเลยว่าเราจะเอาความดีอันไหนมาทาประโยชน์แบ่งภาระท่านได้ ถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากท่านให้ทำอะไรแล้วอารมณ์ใจมันจะคิดสักนิดยังไม่เคยเลยที่จะเห็นว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้ใครได้เพราะคิดอยู่เสมอว่าเรายัางดีไม่พอเพราะอย่างนั้นพอท่านใช้ก็เลยรู้สึกว่าต้องรวบรวมสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดที่เรามีอยู่นั้นถวายท่านผลที่ได้ออกมาท่านผู้ใหญ่จริงจะไปเห็นว่าดีแล้วนั้นไม่ควรก็เป็นผลจากคนคนเดียว จึงหวังใจให้ลูกศิษย์หลวงพ่อได้เห็นได้ฟังกันอีกหลายๆคนเพื่อจะมาเทียบเคียงกันดูและให้ได้ตัวอย่างอันดีแก่ลูกหลานรุ่นหลังนำไปเป็นแนวทางว่าพวกเราที่ทำงานด้วยมีภาระครอบครัวด้วยถ้ารู้จักแบ่งเวลาแล้วจะไม่ได้ยินใครมาอ้างได้เลยว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม สุดท้ายแห่งการบันทึกความรู้สึกคราวแรกที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวก็รวบรวมไว้ได้เพียงเท่านี้ส่วนผลอื่นใดจะตามมานั้นทั้งนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้ได้ใช้ในทางเป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ท่านผู้ที่ได้รับฟังอาจเก็บเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ไว้ได้บ้างทั้งนี้สุดแลแต่จริตของท่าน ด้วยข้าพเจ้ามีความสามารถเพียงน้อยนิดเป็นเพียงเศษเกรดความรู้เล็กๆ น, น้อยๆในพระพุทธศาสนาที่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปข้าพเจ้าขอถวายตัวรับใช้หลวงพ่อสุดแล้วแต่ท่านจะสั่งถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกก็จะขอเก็บความรู้นั้นถ่ายทอดสู่กันฟังตามที่หลวงพ่อท่านสั่ง เพื่อหวังให้เป็นเครื่องช่วยวิปัสสนาญาณของท่านท่านดังที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาขอทุกท่านรู้ด้วยว่าข้าพเจ้ากาลังรอผู้ที่จะขึ้นไปเที่ยวเป็นเพื่อนกันด้วยความหวังว่าคงอีกไม่นานทั้งนี้ไม่คิดว่าอีกหลายหลายท่านอาจจะเกิดท้อหรือว่าละทิ้งไปเสียก่อนคิดว่า ไม่ได้เห็นสักทีหรืออะไรทํานนองนั้นหลวงพ่อเคยบอกว่าขอให้คิดว่าถ้าไม่ได้เห็นก็ขอให้ทาวกฝึกเพืธธ่อจิตทรงฌานเพราะมีผลจริงๆเห็นจากตัวอย่างมาหลายท่านแล้วไม่ใช่แต่เอาแต่คนที่ได้มาพูดผู้ที่ยังไม่ได้เห็นจะมีความรู้สึกว่าสมาธิทรงตัวเป็นพิเศษดีกว่า การฝึกวิธีเก่าหลวงพ่อเคยบอกว่าอยากจะใช้คําวิธีในการฝึกวิธี น, นี้ว่าเป็นการทําแท้คือได้มาอย่างรวดเร็วไม่ต้องรองให้คลอดก้าวเดือนอะไรทํานองนั้นหลวงพ่อท่านใช้คําได้เหมาะสมเข้าใจแจ่มแจ้งดีจูหวังว่าลูก น, น้องที่มาใหม่ๆถ้าคิดอยากจะทดลองทดสอบหรือผู้ที่ยังไม่เชื่อ สมพรอกัานท้าให้ที่สู่ด้วยการฝึกวิธีนี้ขออย่างเดียวอย่าท้อถ้ายังไม่ได้เห็นกำลังชานจะแก่กล้าและเป็นผลให้ตัดกำลังที่จะตัดพิจารณาในวิปัสสนาญาณนี้จะมั่นคงขึ้นอันนี้เป็นแได้ผลเป็นที่พอใจแก่ทุกๆุกคนที่ฝึกมาแล้วผู้ที่ยังไม่ได้ฝึก ก็อยากจะขอเชิญให้เริ่มฝึกได้เลยไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญแบบวอนง้อหรืออะไรแต่คิดว่าผู้ที่ต้องการความจริงต้องการความพิสูจน์แล้ววิธีนี้เป็นวิธีพิสูจน์ได้ดีที่สุดตัวของตัวเองรู้เองไม่ได้ฟังจากใครเล่ามาจึงไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นขอจบการบันทึกชุดนี้เพียงเท่านี้ขอพระคุณมากค่ะ สวัวดีว